ปุติอยู่ในวัดเนี่ยนะหลายคนก็อยู่คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะเวลาค่ําคืนถามว่าข้างนอกมีอันตรายหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรไม่มีผู้ล้ายไม่มีสัตว์ล้ายแล้วก็ไม่มีผีนีแต่ว่าใจเรามันกลัวไปเองจนนอนไม่หลับเสียงใบไม้ตกกระทบหลังคาก็นอนไม่หลับตัองจะไปโทษใบไม้ก็ไม่ได้นะต้องโทษใจของเราแต่เราก็มักจะไม่ค่อยกลับมาดูใจของเราเท่าไหร่